การนั่งสมาธิเนี่ยมีประโยชน์ทุกจุดเลยรอบด้านเลยตั้งแต่หนึ่งจิตได้เคยคุ้นกับอุเบกขานะซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยเคยคุ้นกับอุเบกขาสองเวลานั่งสมาธิเนี่ยอยู่กับลมหายใจการปรุงแต่งก็จะน้อยเพราะว่าเมื่อวิ ญ, ญญาณมาตั้งอยู่กับรูปเนี่ยเรียกว่ากายคตาสติ ก็จะเป็นอุเบกขาจิตก็หยุดอยู่กับฐานครับฝึกที่จะให้จิตหยุดอยู่กับฐานพอตั้งมั่นดีแล้วก็เห็นการเกิดดับโอ้ประโยชน์อา น, นิสงส์มากมายก่กองเหลือเกินฝึกขันติฝึกอทุกอย่างเนมารวมกันอยู่เยอะแยะมากมายนั่งบาลังหนึ่งมีแต่ประโยชน์มีแต่ได้ไม่มีเสียต่อให้จิตฟุ้งซ่าน ก็กำลังข่มใจเป็นธรรมะออกนั่งนั่ง่วงนอนสปปงบ ก, ก็ยังได้ประโยชน์ดีกว่านอนลงไปคืออดทนนั่งหลับมันทรมานนะ <c oughs> ไม่ใช่สบายสบายพวกที่นั่งเข้าสมาธิกับเทียบกับคนนั่งหลับนั่งหลับเป็นทุกข์กว่าเยอะแต่เขาอดทนทนมากเลย มันมีแต่ได้นะครับนั่งสมาธิมีแต่ได้ไม่มีเสียมาคอสก็มีแต่ได้ไม่มีเสียเห็นเห็นเลยพลาดออกจากบ้านเนี่ยพลาดออกจากกามที่ยึดติดเนี่ยต่อให้มันอยากกลับก็ดีแล้วไนงะนี่ได้พลาดออกมาแล้วไหมอยากก็เรื่องของมันเนะี่ยแต่เราไม่เลิกอ่ะขยันก็ทําไม่ขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําอะไรเนี่ยทําไปเรื่อยไม่ได้ขึ้นกับขยนันหรือขี้เกียจเนี่ยทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยทําไปเรื่อย ความเพียรทําไปเรื่อยมีพุทธพจน์บทหนึ่งนะครับก็ถ้าอ่านแล้วเราบนจอเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกที่กำลังลำบากนะครับก็เป็นคำที่ท่านสั่งเหมือนกับบอกสาวกเอาไว้ พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในเบื้องปลายให้เป็นไปพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์โลกทั้งหลายเป็นพวกมีทุลีในดวงตาแต่น้อยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้นะครับยังมีคนที่มีดวงทุลีในดวงตาน้อยยังมีประโยคนี้สิสัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมถ้าพวกเธอไม่จะรีกออกไปจะมีสัตว์โลกที่มีทุลีน้อยแต่ไม่ได้ฟังธรรม พวกเขาจะเสื่อมจากคุณธรรมที่เขาจะมีแล้วเขาจะพลาดจากการบรรลุธรรมไปเลยสาวกทั้งหลายจึงหยุดไม่ได้เลยนะครับสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีแน่เพราะฉะนั้นแผ่นดินนี้ยังมีผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยอยู่ต้องได้ฟังธรรมเมื่อได้ฟังธรรมก็จะเห็นทางเห็นทางออกโอ้ใช่แล้วของที่สั่งสมมา ก, ก็จะประทุขึ้นมา ไม่งั้นมันจะถูกโมหะทับลงไปทีละชั้นละชั้นละชั้นละชั้นลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ก็สั่งสมมามันจะอยู่ข้างล่างอะ่ะไม่ได้บอกว่าหมดหายไปเหมือนกองหนังสือเล่มหนังสือเล่มสําคัญอยู่บนโต๊ะทํางานแต่ทุกวันมันมีเล่มใหม่มาทับแต่กลายเป็นหนังสือการ์ตูนหนังสือสารคาดีหนังสืออะไรต่ออะไรมเต็มไปหมดหนังสือธรรมะเล่มสําคัญอยู่ข้างล่างแล้ไม่ได้บอกว่าหายไปจากโต๊ะ แต่มีเล่มใหม่ใหม่ๆที่เต็มไปด้วยโมหะตอนนี้ไม่ต้องอาศัยหลายเล่มเล่มเดียววางทีเดียวนี่ข้างล่างหายโหลดเลยเพราะนี่บรรจุได้เป็นตู้เลยนะอ่าศีลมรคนิพพานผมว่าครบแล้วนะครบแล้วพร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะทั้งบริสุทธิ์บริบูรณ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระอาหารหันต์สาวกรวมถึงพระอริยะเจ้ามากมายแล้วครับผมว่าเปิดองค์ไหนแทบจะไม่มีที่ท่านฟังไม่รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแบบไม่ใช่ของเดิมด้วย